สิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วก็จาเป็นนะสารชีวของเรานอกจากอาหารนอกจากน้ํานอกจากอากาศที่ว่าใส่และปัจจัย4สี่ยแล้วเนี่ยสิ่งนั้นคือการเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมันสําคัญนะว่ามันช่วยทําให้การอยู่รอดนะเป็นไปได้แต่คนเราก็ไม่ได้มีชีวิตเพียงเพื่อเอาตัวให้รอดนะชีวิตของเราเนี่ยทำอะไรได้มากกว่า น, นั้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงามไม่ใช่แค่มีกินมีใช้แต่มีความสุขมีความเจริญงอกงาม เพราะมันที่เป็นไปได้เนี่ยก็เพราะอาศัยการเรียนรู้แต่การเรียนรู้มันก็มีหลายอย่างแต่ไม่ว่ามันจะมีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงใดเนี่ยสิ่ำคัญนะของการเรียนรู้นี่ก็คือความรู้เราเรียนเพื่อรู้ ด้วยเนเนี่ยคาว่าเรียนรู้เนี่ยนะมันจึงมีสองคำนี้นควบคู่ไปตลอดเวลาคือเรียนแล้วก็รู้เราเรียนเพื่อรู้อันนี้เป็นจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการแรกเลยนะของการเรียนส่วนเรื่องอย่างอื่นนั้นเนี่ยมันตามมาทีหลัง ชาติเย็นเนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนะมันก็ศูนย์เปล่าแม้เรียนแล้วจะได้คะแนนได้เกรดดีแต่ไม่ได้รู้อะไรเลยนะอันนั้นก็เปล่าประโยชน์ควาว่ารู้เนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญนะ เราจะรู้ได้ส่วนหนึ่งก็อาศัยการเรียนแต่ก็อย่างที่บอกนะเรียนจะมีความหมายล้วก็ต่อเมื่อรู้ยิ่งในยุคนี้แล้วเนี่ยนะคว่ารู้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยแต่ว่ารู้บางอย่างนะมันก็อาจจะไม่ดี รู้ส่วนใหญ่เนี่ยนะมันก็มีประโยชน์ไม่จะเป็นว่าการรู้ทางโลกไม่จะเป็นการรู้ทางธรรมแต่ม่มีรู้บางอย่างที่ไม่มีประโยชน์นะบางทีก็เป็นผลเสียเลยนะเช่อนอะไรนะเช่นรู้แล้วเนี่ยคำว่ารู้แล้วเนี่ยนะ ถ้ามันออกมาจากปากของใครหรือว่ามาอยู่ในความคิดของใครเนี่ยอันนี้มันเกิดผลเสียนะอย่างลูกบอกพ่อว่าเนี่ยสุบรีเนี่ยกนละเป็นมะเร็งนะพ่อบอกรู้แล้วนะหรือพ่อแนะนำลูกนะว่า ไอ้เล่นเกมออนไลน์นี่มันไม่ดีนะหรือบางทีสอนรูปด้วยซ้ำนะว่าอกินเหล้านี่ยมันไม่ดีนะเด็กตอบว่ารู้แล้วไม่ว่าใครที่บอกว่ารู้แล้วเนี่ยนะมันแปลว่าอะนแปลว่าการเรียนรู้ไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วเมื่อจาก็ตามที่เราบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเนี่ย มันแปลว่าการเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยเวลาใครพูดว่ารู้แล้วเนี่ยนะบางทีมันแปลว่าเขาไม่ได้รู้อะไรเลยหรือเขาไม่เปิดใจนะฟังไม่อาจจะเป็นความรู้ความคิดความเห็นหรือคำแนะนำ รู้แล้วเมื่อไหร่เนี่ยมันก็แปลว่าการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นแล้วแล้วคนเราเนี่ยพอยิ่งมีอายุมากมีประสบการณ์มากหรือแม้แต่เรียนมามากเนี่ยมันก็ง่ายนะที่บอกว่ารู้แล้วเด็กแนะนําผู้ใหญ่ลูกแนะนําพ่อผู้ใหญ่หรือพ่อบอกรู้แล้ว ตรงนี้น่ากลัวหรือน่าเป็นห่วงว่าเนี่ยความเรียนรู้หรือการเรียนรู้มันไม่เกิดขึ้นเลยรู้อะไรก็ไม่แยเกเฉพาะรู้แล้วนะอที่เราต้องถามตัวเองนะว่า เ, ออเราคิดว่าเรารู้แล้วมากน้อยแค่ไหนพอถ้าว่าเรารู้แล้วมันก็จแปลว่ า, วาเรา ไม่รู้อะไรเลยหรือรู้น้อยมากแต่บางทีความเป็นผู้ใหญ่ผู้เท่าหรือว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนก็ทําให้เราคิดว่าที่ใครๆพูดมาที่ใครๆแนะนํามาเดือพระคนที่มีอายุน้อยกว่าอ่อนยาวกว่าเราก็จะบอกว่ารู้แล้วรู้แล้ว บางที่เด็กก็พูดยังไงกับพ่อแม่คือมันกลายมันกลายเป็นคำข้ออ้างในการที่จะไม่ฟังหรือว่าไม่ปฏิบัติตามเพราะฉันรู้แล้วนอกจากรู้แล้วเนี่ยมันไม่รู้อย่างที่มันไม่ดีเลยหรือเกิดประโยชน์น้อยเนี่ยคือรู้งี้รู้งี้ เวลาใครบอกว่าเนี่ยรู้งี้น่ะมันแปลว่าไอ้สิ่งที่รู้มันสายไปแล้วอย่างคนป่วยบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งปอดก็บอกรู้งี้ฉันไม่สูบบุหรี่ดีกว่าหรือตับแข็งเนี่อรู้งี้ฉันไม่กินเหล้าดีกว่ารู้งี้ฉันเลิกไปนานแล้วหรือบางคนเป็นโรคหัวใจจกนกระทั่งนอนติดเตียง รูมี้เนี่ยฉันออกกําลังกายบ่อยๆดีกว่าวรรูมี้เนี่ยฉันจะไม่กินพวกไขมันพวกเนื้อสัตว์เยอะคนที่ไบวอหวานก็เหมือนกันนะพออาการมันหนักกําเริบ ม, มากขึ้นเนี่ยรูมี้ฉันไม่กิน น, น้ำอัดลมวันละสามขวดห้าขวด หรือว่ากินของหวานเยอะๆบางคนก็บอกเนี่ยรูงีเนี่ยก็จะให้เวลากับพ่อแม่มากขึ้นจะไปเยี่ยมท่านให้มากขึ้นไม่ใช่โมต่ทำงานเวลาใครพูดแบบนี้มันแสดงว่าอะไรแปลว่าสายไปแล้ว ดีพ่อแม่ก็จะเสียชีวิตไปแล้วมารูกงี้ก็ตอนที่ท่านจากไปแล้วหรือบางคนก็พอป่วยหนักไม่มีใครมาเยี่ยมเลยพอเป็นคนที่ไม่เอาเพื่อนเป็นคนที่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน คิดแต่แะ่ไต่เต้าเอาดีตัวที่ไม่สนใจความรู้สึก ข, ของเพื่อนๆถึงเวลาป่วยหนักก็ไม่มีใครมาเยี่ยมก็เพื่อว่ารู้งนี้เนี่ยฉันจะใส่ใจความรู้สึก ข, ของเพื่อนมากกว่านี้ฉันจะไม่เอาเปรียบเพื่อนอย่างที่ได้ทำไป ทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันเป็นความรู้ที่สายไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว่นจึงจึง เ, เ, เป็นการรู้ที่ไร้ประโยชน์นะรู้งี้เนี่ยไอสองคำเนี่ยนะสองรู้เนี่ยนะรู้แลกับรู้งี้เนี่ยพยายามให้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราให้น้อยที่สุดเท่าที่ ทำได้จะดีกว่าบางทีคนที่บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเนี่ยท้ายเนี่ยพอป่วยหนักเพราะว่าโรคมะเร็งปอดหรือพอตับแข็งเนี่ยคนที่บอกว่ารู้แล้วเนี่ยเมื่อสิบปีสิบปีที่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นคนที่มาบอกว่ารู้งี้ ฉันไม่สูบบุรีกินเหล้าหรือว่าลู้นี้สัญจร ก, กําลังกายมากกว่า น, นี้แต่ก่อนนั้นๆพอมีคนแนะนำนี้ก็บอกรู้แล้วรู้แล้วแปลว่าไม่ต้องพูดมากแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ทําไม่ได้น้อมมาใส่ใจก็ใช้ชื่อเหมือนเดิมกินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่ากินหารตามใจปาก จนกรทั้งเกิดความเจ็บป่วยขึ้นแล้วก็รึกึกได้ก็เลยบอกว่ารู้งี้นะฉันน่าจะเลิกกินเหล้าน่าเลิกสูบบุหรี่ไม่ยให้คำว่ารู้แล้วรู้งี้เนะี่ยมันเข้ามามิตรพลนะกับชีวิตของเรา ถ้าจะรู้นะมันมีรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญมากนะคือรู้ตัวรู้ตัวนี่มันเยี่ยมยอดมากเลยเป็นรู้ที่ประเสริฐเป็นรู้ที่มีคุณมากรู้ตัวมันช่วยทำให้รู้ อย่างอื่นเนี่ยนะเช่นรู้เรื่องการทํามากินรู้วิชาการต่างๆเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเราอย่างเต็มที่รู้โลกนะรู้รอบตัวอันนี้ดีอยู่นะแต่ว่าก็อย่าลืมนะรู้ตัว คนทุกวันนี้เนี่ยแม้จะรู้เยอะนะแต่ว่ารู้ตัวนี่ค่อนข้างจะละเลยมากรู้ตัวเนี่ยในด้านนึงคือเวลาทำอะไรก็รู้ว่ากำลังทำสิ่ง น, นั้นอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะว่า เราทําอะไรแล้วเนี่ยเราจะรู้ชัดในการทําสิ่งนั้นบางทีเรากินข้าวเราก็ไม่รู้ตัวนะว่ากินข้าวอยู่อาบน้ําเราก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังอาบน้ําอยู่เพราะอะไรเพราะใจลอยบางทีเราทําอะไรผิดพลาดผิดพลาดพลาดนี่ก็เพราะไม่รู้ตัวไม่รู้กำลังทําอะไรอยู่ อย่างน้อยก็ในช่วงเวลานั้นๆมีโยมหนึ่งนะรับอาสาพนะาพระเนี่ยไปส่งที่วัดท่านแสดงทําเสร็จแล้วท่านก็จะกลับวัดนะโยมก็อาสาขับรถพาท่านกลับวัดนิมนต์พระ ขับลูกศิษย์มานั่งเบาะหลังตังนั้นขับรถไปไปได้ขับไปได้สักพักก็เลี้ยวซ้ายเราก็ถามว่าโยมจะไปไหนโยมก็ตอบว่าก็พาท่านไปส่งวัดไงว่าตัทมานี่มันตรงไปนะไม่ใช่เลี้ยวซ้ายพอเท่าแบบนี้เขายมก็เลย ตกใจเพราะว่าไอ้เลี้ยวซ้ายนี่มันคือเลี้ยวไปที่บ้านของตัวเส้นทางของตัวเองผ่านประจำใช้ประจำนะพอถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยไปทางนั้นตอนนันใจรอยนะตอนที่ขับรถพาพาไปส่งวัดนีใจรอยพอเห็นทางแยกที่คุ้นเคยนะกลับบ้านเป็นประจำ ตรงทางแยกนั้นก็เลี้ยวซ้ายทันทีนี่เรียกว่าไม่รู้ตัวนะเรียกว่าลืมตัวก็ได้ตอนนั้นเนี่ยลืมไปนะว่ากำลังทำอะไรอยู่มีคุณหมอท่านหนึ่งเล่าว่าเนี่ยวันนึ้งก็ขับรถกลับบ้านณนะบ้านก็อยู่แถวปากน้ำนะ เราต้องรีบกลับด้วยนะเพราะว่ามีนัดมีนัดที่นั่นนัดคนไว้ที่บ้านแต่ระหว่างทางเนี่ยปรากฏว่ามันมีรถคันหนึ่งเนี่ยมาปาดปาดหน้าหมอนี่โมโหเลยนะไล่ตามไล่กวดรถคันนั้นเลยรถคันนั้นมันก็ขับเร็วนะ้วก็ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยพาไปไกลเลยหมอเนี่ยขับรถตามเนี่ยกลายไปปาดหน้าคืนมารู้ตัวอีกทีก็เลยเส้นทางกลับบ้านไปเยอะแล้วลืมไปเลยนะว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งใจว่าจะรีบกลับบ้านพอพอมีคนมาปาดหน้าเนี่ยไอความคิดที่จะเอาคืนเนี่ย หรือสั่งสอนเนี่ยซึ่งแน่นอนก็มีความโกรธความไม่พอใจเข้ม า, ขมามาครอบงำจิต ด, ด้วยตอนนั้นก็เลยลืมตัวอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ตัวนะแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแบบนี้ น, นี่เป็นประจำเลยไม่รู้ว่ากาลังทำอะไรหรือว่าลืมสิ่งที่กาลังทำอยู่ อันนี้เนี่ยทางภาคเขาเรียกว่าไม่มีสั ป, ปชัญญะสัพปพปัญญะนี่ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโคตรสั ป, ปชัญญะคือความรู้ชัดในในแดนงานที่ทำอยู่หมายถึงว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็รู้จุดมุ่งหมายแล้วก็จิตเนี่ยกำกับอยู่กับงานนั้นไม่ให้พลาด ไม่ให้หลงไม่ให้เควแต่บอ่อยครั้งเนี่ยเนี่ยเราก็ลืมไปเลยนะว่ากำลังทำอะไรอยู่ลืมจุดมุ่งหมายของสิ่งที่กำลังทำอยู่แทนที่จะกลับบ้านก็คิดแต่จะไปปาดหน้าเอาคืนหรือว่าแทนที่จะไปส่งพระกลับวัดนี่ก็ ที่ถึงการกลับบ้านเมื่อครัเราประชุมกันหลายคนกําลังประชุมกันเพื่อจะโน้มน้าวลูกค้าให้เห็นด้วยกับข้อเสนอจะวางแผนโฆษณาจะขายโฆษณาให้ลูกค้าแต่พอลูกค้าเขาทักเขาท้วงเกิดโกรธนะ เพราะมันกระทบอัตราก็ไปทะเลาะกับเขาแทนที่จะโน้มน้าวเขาให้เห็นด้วยหรือว่าซื้อไอเดียนั้นก็กลายเป็นว่าทะเลาะกับเขาเสร็จ แ, แล้วเขาก็อาจจะลูกค้าก็าจะเลิกแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าทะเลาะกันหนักอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวนะ แล้วไม่ใช่พอลืมตัวแล้วก็ลืมจุดมุ่งหมายนะว่าเรากาลังทำอะไรอยู่เพราะเราที่มาปฏิบัติเนี่ยเราก็คงจะประสบกับภาวะนี้บ่อยๆนะเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะเนี่ยมันลืมไปเลยนะว่ากาลังเดินจงกรมกำลังสร้างจังหวะเพราะนั้นใจมันลอยคิดน่นคิดนี่เดินก็ไม่รู้ว่าเดิน ยกมือก็ไม่รู้ยกมือนี่คือเรียกว่าไม่รู้กายนะไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะความหมายก็ยคือไม่รู้กายไม่รู้กายคือไม่รู้ว่ากายมันขยืดขยับไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวถึงการกระทำของกายไม่รู้ตัวอย่างคือไม่รู้ใจนะว่าตอนนั้นใจมันเป็นยังไงะใจมันถูกอารมณ์ คราะงำกำลังคิดเรื่องนี้อยู่กลังคิดเรื่องงานอยู่เพอแผบเจอเนี่ยไปคิดถึงเรื่องการะจะเล่นงานตอบโต้เพื่อนอที่เขามารบกวนรังความหรือเราจะหาทางเล่นงานเพื่อนบ้านที่ชอบส่งเสียงดังอันนี้ก็ว่าลืมนะ ลืมใจไม่รู้ว่าใจตอนนั้นเนี่ยมันถูกอารมณ์หรือความรู้สึกใดเนี่ยนะครอบงำอยู่ก็เลยถูกอารมณ์นั้นเนี่ยมันชักนำพาจิตใจของเราแบบที่เราเข้าแล้วเข้าพงหรือว่าทำให้การกระทำและคำพูดของเราเนี่ยมันเกิดปัญหา ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยนั้นก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าความไม่รู้ใจ เ, เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเมื่อมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ไม่รู้ทันรู้ตัวสำคัญมากนะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่า ตอนนี้กำลังมีความคิดหรือความรู้สึกอย่างไรเธอรยังไม่อยากให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันพาเราหรือเผาโดนใจเราให้รุมร้อนบีบคั้นใจเราให้เจ็บปวดหรือทำให้เกิดความหนักอกหนักใจเนี่ยก็ต้องหมันนะห ม, นหมันทมั่นรู้ตัว เพื่อที่จะได้หลุดพาจออกหลุดออกไปจากความคิดนั้นอย่าปล่อยให้ทั้งวันนี้มันเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนหลายคนนี่ก็ปลอยจิตใจตัวเองรุ่มร้อนนะด้วยความหงุดหงิดด้วยความโกรธ ด, ด้วยความไม่พอใจแล้ก็ปล่อยให้อารมณ์นั้นมันเผาล้นจิตใจนั่นแหละ อันนี้เพราะไม่รู้ตัวนะถึงแม้บางคนจะมาวัดบ่อยมาปฏิบัติดูเป็นอาจินแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ทันให้เกิดความรู้ตัวที่แรกมันก็รู้กาย ร, รู้ใจนะรู้ว่ากายทำอะไรรู้ว่าใจกาลังคิดนึกอะไร ต่อไปมันก็จะรู้ความจริงของกายและใจมันใช่ไมไม่ใช่เพียงแค่รู้ถึงการมีอยู่นะของอารมณ์และความคิดต่างๆเท่านั้นแต่มันยังรู้ถึงธรรมชาติของความคิดและอารมณ์เหล่านั้นด้วยคือว่าเห็นมันเกิดเห็นมันดับมันมาแล้วก็ไป เป็นของโชวครูช่วยยามเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้แม้สิ่งที่เป็นความสุขความเพลิดเพลินความดีใจมันก็เป็นของประเดียวประดาวเราก็จะเริ่มที่จะรู้ว่าเอาจิงเอาจังกับมันไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับมันไม่ได้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ รวมทั้งรั่วเนี่ยมันยึดมันถือมันไม่ได้จากไปมันก็จะเห็นว่าเออมันความคิดอารมเราที่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราในตอนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยนะมันก็ไปสําคัญมั่นหมายามันเราคิดความคิดเป็นของเราเราโกรธความโกรธเป็นของเรา แรามันก็เลยเผาดนใจนะเวลาโกรธความโกรธมันเผาดนใจเมื่อไปสำคัญมั่นหมายว่าเราโกรธความเกลียดมันกลีดแทงใจเมื่อไปสำคัญมั่นหมายว่าเราเกลียดแต่พอเรารู้ตัวบ่อยๆรู้กายรู้ใจเราก็จะเห็นว่าความโกรธและความเกลียดไม่ใช่เรา ความทุกข์ความเศร้าไม่ใช่เรามันก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เรามันเป็นคนละอันกันมันเกิดการแยกได้หรือเกิดการวางได้ใจมันก็จ ะ, ะมีความรุ่มร้อนน้อยลงมีความทุกข์น้อยลงอันนี้เราว่าเพราะรู้นะเพราะรู้ตัว ความรู้ตัวเนี่ยมันก็ทําให้รู้ถึงความจริงของกายและใจมันไม่ใช่แค่รู้กายและรู้ใจอย่างเดียวนะมันรู้ไปถึงว่าความจริงของกายและใจเป็นอย่างไรแ้วพอรู้ความจริงของกายและใจเนี่ยมันก็จะรู้ถึงความจริงของโลกภายนอกได้ชัดขึ้นเพราะว่ากายและใจเนี่ยหรือโลกกับนามเนี่ยนะมันก็มันก็เป็นเรื่องของขันห้า ซึ่งมันก็ไม่ได้แยกไปจากโลกภายนอกเป็นธรรมชาติของขันธ์ห้าที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นเรามันก็นำไปสู่ความเข้าใจธรรมชาติของขันธ์ห้าที่ประกอบขึ้นมาเป็นโลกภายนอกอก็โรครอบตัวลํานก็เีไม่พ้นขันธ์ห้าซึ่งนะก็เป็นสิ่งที่มาประกอบกันขึ้นมาเป็นเราเป็นรูปกับนามเป็นกายกับใจ เห็นกายและใมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็จะเห็นชัดนะว่าโลกภายนอกโลกรอบตัวเราผู้คนคนสัตว์สิ่งคอมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหมือนกันจากความรู้ตัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความรู้ความจริงเห็นความจริงของโลก มันก็จะรู้ลึกแล้วก็รู้กว้างนะแล้วช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะาดาเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความรู้ทันใช้กายและใจให้เป็นประโยชน์โดยที่ไม่ตกเป็นทาสของกายและใจหรือไปไปยึดมันสำคัญหมายว่ามันเป็นเราเป็นของเราพอถ้าเราไปยึดมั่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่นะ เราก็กลายเป็นของมันไปทันที okay. เพราะนั้นเนี่ยนะให้มันรู้ตัวบ่อยๆแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมามารู้งี้ในภายหลังซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย